จตุกะนิเทศอุปาทาอุปาทินนะจตุกะ8ปดรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไฉไหนะจักรายะตนะและกายายะตนะอิทธินรีปุริสินรียและชีวิตินรียหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายะตนะคันทายตนะรัายตนะอากาศศรัทธา อุปเจียรูปสันตติรูปและกวาริงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือ8ปดรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่การมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นฉไนสัธายตนากายวิญยัติวจีวิญยัตและหุตารูปมุทุตารูปกามัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูป หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายัตนะคันทายตนะรส า, ายตนะอากาศสาธาติอุปจจยรูปสันติรูปและกวาลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชีวกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ8ปดรรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นฉน โพธพายะตนะและอาโปธาตที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่วีวกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึด ถ, ถือ8ปดร้อยแปดสิบห้ารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นฉไนโพธพายะตนะและอาโปธาตที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออุปาทาอุปาทินิาานยุ ก, กะแปดร้อยแปดสิ8หกรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานั้นเป็นไฉไ น, นจักขายตนะละกายายตนะอิทธินตีปุริทินตีและชีวิตินตีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรสายตนะอากาศธาตุอุปัจยรูปสันติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปอาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปอาทาน887รูปที่เป็นอุปอาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปอาทานนั้นเป็นฉไหน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 แต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทาน88ดรูปที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานนั้นเป็นฉไหนโธทภายตนะและอาโปธาต์ที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทาน 889รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนโคนธพายตนะและอาโปธาธิกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ออปาทานอุปาทาสัปติฆะจตุกะ 890รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะและรัสายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบได้แปดรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉหนอิทธินีและกาวริงการาหารรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ แปดรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉไหนโพธพายตนะรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบได้แปดรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ไ <n> ด้นั้นเป็นไฉหนอาโปธาบรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ อุปาทาโอราลิกะจตุกะแปดรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉหนจักขายะตนะละระสายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบแปดรก้ารูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉไหนอิทธินสีละกาวิลิงการาหารรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี mhm <S <S ้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด แปดรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไหนโพธพาตนณรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ8ปดรเก้รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉหนอาโปธาต์รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทาทูเรจตุกะ 898รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไก่นั้นเป็นไฉหนอิทถินีและกบาลิงการาหารรูป mm ที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไก่899รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไก้นั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะรษายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไก่ เก้รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉไหนอาโปธาต์รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล9ก้รเอ็ดรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉหนโพธพายาตนะรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลอุปาทินนสนิทัตสนะจตุกะ9ก้สอง รูปที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไนรูปปายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นได้903รูปที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไนจักขายตนะละกายายตนะอิทธินสีปุริสินสและชีวิตินสี Too หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่คันทายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศสาธาติอาโปธาติอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้904รูปที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นฉไนะ รูปายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นได้9้ารหรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นฉไนสัตยาตนะกายวิญยัติวจีวิญยัตละหุตารูปมุตุตารูปกา ม, มัญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ ได้แก่คันทายตนะรส า, ายตนะโพธพายตนะอากาศสาธาติอาโปาธาติอุปัจัยรูปสันตติรูปและกวาลิงการาหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้อุปาทินาศ ป, ปฏิฆะจตุกะ906รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นชไหน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 อิตินรีปุริจินจีและชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาตุอาโปธาตุอุปัจียรูปสันติตรูปและกวาริงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้908รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นฉไหนะ สัทธายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรัายตนะและโพธพายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ น, นี้ชื่อว่ากระทบได้9ก้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นเชน กายวิญยัติวจีวิญยัตและหุตรารูปมุทุตารูปกรรมัญญตารูปชรมมตารู ป, รรปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาตุอาโปธาตุอุปจิยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อุปาตินมหาภูตะจตุกะ 910รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉไหนโะพธาพยตนาและอาโปธาที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป911รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉไหน จกขายัตนละกายายัตนาอิทธินตีปุริสินตีและชีวิตินตีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายัตนคันทายตนะรส า, ายัตนะอากาศสธาติอุปจิยรูปสันติรูปและกวาลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูต ร, รูป 912รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมหาภูต ร, รูปนั้นเป็นฉไนะโพธิพายตนะและอาโปธาตที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป913รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นฉไนะ สัทธายตนาะกายวิญญาตปัะจีวิญญาตและหุตารูปมุทุตารูปกามัญญาตารูปเรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนาะคันธายตนะรารสายตนาะอากาศสาัทธาอุปัจจะยรูปสันตติรูปและกะวริงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูป อุปาทินโอราริกะจตุกะ914รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะและกายายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนะคันทายตนะรัศายตนะและโพัพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ 915. รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นฉไนะอิทินรีปุริตินตีและชีวิตินตีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาตุอาโปธาตุอุปัจยรูปสันตติรูปและกวาลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด 916รูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉนสัท ธ, ธายาตนาะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายาตนาะคันทายตนาะรัายาตนาะและโพธพายาตนาะอันกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ ๙๑๗รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉไรกายวิญยัตวจีวิญยัตนาหุตารูปมุทุตารูปกามัญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกาวริงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทินาทูเร จ, จตุกะ9๑8รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนอิจถินรีปุริทินรีและชีวิตินรียหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศสธาติอาโปธาติอุปัจยรูปสันตติรูป และกวลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล9ก้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉนจักขายยตนะและกายายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรัายตนะและโพธพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้น รูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้920รูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนกายวิญยัตวจีวิญยัตและหุตารูปมุตุตารูปกรมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ ได้แก่อากาศาธาตุอาโปาธาตุอุปจยรูปสันตติรูปและกะวะลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล921รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉไหนะ สัทธายตนาะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายาตนาะคันทายาตนาะรสายตนาะและโพัพายตนาะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้อุปาทินุปาธานิยสนิทัศนจตุกกะ922รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นฉนรูปายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเห็นได้ 923. รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นฉนจักขายตนะและกายายตนะอิตินตีปุริตินตีและชีวิตินตี หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่คันทายะตะนะราัศายะตะนะโพธพายะตะนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปจิยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาธานี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้924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 สัทธายตนะกายวิญยัติวจีวิญยัตและหุตารูปมุตุตารูปกามัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่คันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปจยารูปสันตติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น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 รัายตนะและโผหตพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่ากระทบได้927รูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นฉไนอิทถินรีปุริทินตีและชีวิตินรีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศสาตว์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 กายวินยัติ、วจีวินัตละหุตารูปมุตุตารูปกามั ญ, ญาตารูปชะตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาตุอาโปธาตุอุปจิยรูปสันติรูปและกวาลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานีชื่อว่ากระทบไม่ได้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 รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาปุตต ร, รูปนั้นเป็นฉไนจักขายตนะละกายายตนะอิทถินรีปุริสินทตีและชีวิตินรียหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรัศยายตนะอากาศสาัทธาตุปปัจจยรูปสันติรูปและกวลิงการาหารที่กรรมปรุงแต่งขึ้น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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป933รูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นชไหนสัตธายตนากายวิญยัตวิวจีวิญยัตและหุตารูปมุตตตารูปกรรมญตารูปชรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนะ คันธายตนะรัศยตนะอากาศสธาติอุปจยรูปสันตติรูปและกวาลิงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมมันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอุปาทินุปาทานยโอราริกะจตุกะ 934รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปหยาบนั้นเป็นชไหนะจักขายะตนะและกายายะตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายะตนะคันธายตนะตะณะรัศยะตนะและโพธพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ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 ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด936รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉหนสัตทายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนะคันทายตนะรัายตนะและโพธพายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น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 อาโปธาตุอุปเจียรูปสันตติรูปและกวริงการาหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาธานนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทินุปาธานิยะทูเรจตุกะ938รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนะ อิทธินตีปุริสิทธินตีและชีวิตินตีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาตุอาโปาธาตุอุปัจเยรูปสันตติรูปและกาวลิงการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาธา น, นี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล 9ก9รรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปใกล้นั้นเป็นฉไหนจักายตนะและกายายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนะคันทายตนะรัศยตนะและโพัพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่การมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ ชื่อว่าเป็นรูปไก่940รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นรูปไก่นั้นเป็นฉไนากายวิญญัตวจีวิญญัตและหุตรูปมุตุตารูปกามัญยารู ป, รรปชรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาต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 สัทธายัตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รู ป, ปายตนณะคันทายตนะรัศยตนะและโพธพายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาธานี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้สั ป, ปติฆะอินทริยะจตุกะก้ริรูปที่กระทบได้เป็นอินทริยะรูปนั้นเป็นฉไน จากขุน4และกายินรี่ 43, รูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่า เ, เป็นอินทริยรูป943รรูปที่กระทบได้ไม่เป็นอินทริยารูปนั้นเป็นฉไนรูปายตนะระผุธภพายตนะรูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทริยารูป944รรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นอินทรียารูปนั้นเป็นฉไนอิทถินรีปุริสินรีและชีวิตินรี รูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าเป็นอินทริยารูป945รูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็นอินทริยารูปนั้นเป็นไนกายวิญญัติวจีวิญญัติกบาลิงการาหารรูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทริยารูปสัปพติคม ah ัมหาภูตะจตุกะ946รูปที่กระทบได้เป็นมหาปูตะรูปนั้นเป็นไน โพธพายตนะรูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป947รูปที่กระทบได้ไม่เป็นมหาปูตรูปนั้นเป็นฉไนจักขายตนะรษายตนะรูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูป948รูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นฉไนอาโปธารูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูป949 รูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนอิทธินีละกวลิงการาหารรูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอินทริยะโอราลิกะจตุ ก, กะ950ารรูปที่เป็นอินทริยะรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไนจะขุนสีละกายินสีรูปที่เป็นอินทริยะรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยา 9ก้รูปที่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉหนอิทธินีปุริสินรียและชีวิตินทรีย์รูปที่เป็นอินทริย์รูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด952รูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไหนรูปายตนะและผุทธปลายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์รูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยา 9ก้รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์รูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นฉไนากายวิญยัติวจีวิญญัตและกวาลิงการาหาน ร, รูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปนี้ชื่อว่าเป็น lance. รูปละเอียดอินทริย์ทุเรจตุกะเก้าร้รูปที่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนอิตินรีย์ปุริตินทรียและชีวิตินทรีย์ รูปที่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกร955รูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไก่นั้นเป็นไฉไหนจะขุนสี่ละกายิญรี่รูปที่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกร๙๑๕๖รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไก่นั้นเป็นไฉไหนกายวินยตเวจีวินยตละกบริงการาหาน รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล957รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไกล้นั้นเป็นไนรูปายตนะและปุถัยายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลมหาภูตะโอลาริกะจตุกะ958รูปที่เป็นมหาภูตารูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไน โพธพายตนะรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ959รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นฉไนอาโปธาตรูปที่เป็นมหาพูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียด960รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นฉไนจากขายตนะรัายตนะรูปที่ไม่เป็นมหาพูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยา 9161รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นฉไนอิทธินสีและกาบริงการาหารรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดมหาภูตะทูเรจตุกะ9 6 2รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนอาโปธาต์รูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล เก้รูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นฉไนโพธิพายตนะรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้964รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนอิทถินสีละกบริงการาหารรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล 965. รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นฉนัจักขายะตนะและราษายะตนะรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ทิศฐาทิจตุกะเก้าร้รูปที่เห็นได้คือรูปายะตนะรูปที่สดับได้คือสัทธายะตะนะรูปที่ทราบได้คือคันทายะตนะ รัายตะนะและโพ ธ, ธาพายตะนะรูปที่รู้แจ้งได้ด้วยใจคือรูปทั้งหมดรวมรูปหมวดละสี่อย่างนี้จตุกะนิเทศจบปัญจกนิเทศเก้รูปที่เป็นปฐวีธาตุนั้นเป็นฉนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งภายในตนหรือภายนอกตน กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นปฐวีธาตุ968รูปที่เป็นนาโปธาตุนั้นเป็นชไหนะความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลมรูปภายในตนหรือภายนอกตน ที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาต์9๖๙รูปที่เป็นเตโชธาต์นั้นเป็นไนะความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นภายในตนหรือภายนอกตน ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรือที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นเตโชธา 970. รูปที่เป็นวายโยธาตนั้นเป็นชนัความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคำจุนรูปภายในตนหรือภายนอกตนที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ หรือที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปนี้ชื่อว่าเป็นวายโยธา 971. รูปที่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉไหนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปรวมรูปหมดละห้าอย่างนี้ปัญจกะนิเทศจบชักกะนิเทศ 9 7 2ร an ูปท so ี่จักุวิญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่คาณวิญญาณรู้ได้คือคันทายตนะรูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้คือรสายตนะรูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโพธพายตนะรูปที่มโนวิญญาณรู้ได้คือรูปทั้งหมด รวมรูปหมวดละหกอย่างนี้สักกะนิเทศจบสัตตะกนิเตศเก้รเจ็ดสิรูปที่จักขุบวิ ญ, ญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตวิญญาณรู้ได้คือสัทธายตนะรูปที่คาณวิ ญ, ญญาณรู้ได้คือคันทายตนะรูปที่ชิวหาวิญ ญ, ญาณรู้ได้คือรส า, ายตนะ รูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโธธพธพายตนะรูปที่มโนธาตรู้ได้คือรูปายตนะศัทธายตนะคันธายตนะรัายตนะและโธธธพธพายตนะรูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละเจ็ดอย่างนี้ตัตะกนิเทศจบอัตตกนิเทศ เก้รูปที่จักขู่วิ ญ, ญญาณรู้ได้คือรูปายตนะรูปที่โสตวิญญาณรู้ได้คือสัท ธ, ธายตนะรูปที่คาณวิญญาณรู้ได้คือคันทายตนะรูปที่ชิวหาวิญ ญ, ญาณรู้ได้คือรส า, ายตนะรูปที่กายวิ ญ, ญญาณรู้ได้คือโพธพะที่น่าชอบใจซึ่งมีสัมผัสเป็นสุข รูปที่กายวิญญาณรู้ได้คือโพธะะที่ไม่น่าชอบใจซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์รูปที่มโนธาตรู้ได้คือรูปายตนะสัท ธ, ธายตนะคันธายตนะระสายตนะและโพธภายตนะรูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้คือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละแปดอย่างนี้อัถกะนิเทศจบ นาวการนิเทศ975รูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนจะสุกใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี976รูปที่เป็นโสตินสีเป็นคานินสีเป็นชีวหินสีเป็นกายินสีเป็นอิฐหินสีเป็นปุริสินสีเป็นชีวิตินสนั้นเป็นไน อายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวติตชีวิตอินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตอินทรีย์จ็ดรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นชไหนรู ป, ปายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์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 เก้รูปที่เป็นโสตินทรียเป็นคานินทรีย์เป็นชีวิตินทรียเป็นกายินรียเป็นอิทธินรียเป็นปุริสินรีเป็นชีวิตินทรียนั้นเป็นไฉไหนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรีย์980รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบได้นั้นเป็นฉไหนรูปายตนะโพธพายตนะรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นี้ชื่อว่ากระทบได้981รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นฉไห น, นากายวิ ญ, ญัต์กวลิงการาหาร รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้รวมรูปหมดละสิบอย่างนี้ทัศกนิเทศจบเอกาทัศกนิทเทศ982รูปที่เป็นจักขายาตนะนั้นเป็นไนะจกักษุใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายาตนะ 983รรูปที่เป็นโสตายตนะเป็นคานายตนะเป็นชิวหายตนะเป็นกายายตนะเป็นบรูปายตนะเป็นสัทธายตนะเป็นคันธายตนะเป็นพรษายตนะเป็นโพธพายตนะนั้นเป็นฉไหนปทวีธาตุโพธพธาตุบางรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะ เก้รปดรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะนั้นเป็นฉไนะอิถินสกวิลิงการาหาน ร, รูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่านับเนื่องในธรรมายตนะรวมรูปหมดละ11อย่างนี้เอกาทสกานิเทศจบภาณวานที่8จบรูปปิพัฒจบรูปประกันจบ